ก็ด้โดยไม่รู้วจวบตัวคำสอนไดๆก็ไร้ควมสูงคำสอนพุทธศาสนาด้วกันแตนถ้าเห็นว่าคำสอนพุทธศาสนาเป็นสัน้นเทเร่งแล้วการเรื่มใช้พุทธศาสนากับว่าอะไรบังคับกระดูดดิ้งหล ด, ดถอนวออกแผ่นเดน น, ะน้าสองแสนสี่หมื่นโยดเขาอาลูกระเบิดปรมาโนทำลายแตกคิดใต่ถึงขั้พระธรรมสองที่มานทำลายแตกตายมากก็นที่ไม่ทร า, ามาาสมุดอยโกลธรรมะสมุดห ยึดใจมันกับประว่างไงแต่มันเห็นสัตว์นเรียกว่าเห็นดิงเห็นดิงไปแล้วถ้าถือกระ thon ออกผู้อื่นจะมาถอนเห็นดิงไปแล้ท่างพิษผู้อื่นจะมาถอนกรบปออกนอกกากระของจ้ถอนจระของซะ ข, ข, ข, ข, ขัเหลื่อมสายทัทา่าพระพุพ ธ, ธาสัตวเห็นดิงลงไปแล้วถอนมาออกนี่ มันก็นเป็นมาราธิธีเลยมันเป็นมหาสัมมาธิธีดีคือเห็นชอบดิดำริชอบดิเป็นโลกุตระความเห็นมันมันโลกีโลกุตระหมายจะพาสวดารันเป็นต้นไฟ เราสงสัยคําสอนอรรถศาสศาสนาเราสงสัยเจ้าของอีกคบคําสอนอระพุทธศาสนาแต่เหลื่อมใสในพันิพานเชียงเดียวข้างเขาเมียนทักฟักเสินหนึ่งกษัตย์ินดีต่อพรันิพานเพราะธรรมะเพราะปฏิบัติเป็นธรรมะที่ไตย่เลยวันน้ปฏิบัติเป็นโลกาที่พระไตรมันไปตามโลกมันไปตามก้อนเมียนของเจ้าของเอาทํา พระที่เจ้าเป็นเครื่องแวีนเป็นกล่องคุณธรรเป็นแว่นสองทางเป็นแว่นดวงใจ เ, เป็นที่บึ ง, บบบงเฉยเรื่องทีกก่ปฏิบัตปฏิบัติูชาอยู่ทุกเมือผบ่มีประามาทเรือทุกยศู้ผู้ชราบาคนปรามาสองเมั่อ เราเลืกได้ว่าเลือกได้กสร้าของใหพ้พระคุพระธรรมประสงค์เป็นบุคคลาธิษฐานว่าขีแเสปะเนียวเสปะคนล่ายไข้ลมุกใส้ในสักกนร่ากายว่าใจาใจทุกคนทุกแพงทุกวี่ทีท่ทางต้องมาพบมีะมาหเวื่อทุกนายวันตาทรงสายณจัวัดรนเรศวรจังหวัดนะ้ ทำปัจจุบันนั่นถาดนี่เถิดมันก็โล่งฝนล่ะหนาคนตะการว่มี่ว่าปัตนะปัถนะว้ายๆขันว่าได้ไหมท่นมันกับว่าได้บาปได้ข้าวควงขอนว่าแต่มันขวมหวยไหมท่นขันว่าขวมมันกับว่าเห็นบาปได้มันก็บว่าตกกับวัาเกาอีกสัมมันก็ไปอีกด้วย เขาเขตเมียคว้าสีเหล้วยหามันแล้วเมื่อนี้สันมันเพแล้วก็เปี่ยนกับมืออ่นเข็อีกไรอยู่ดีก็บำม่งก็ขึ้นเบืองเปี่ยนสันเ้าหการงานาแต่แมนแล้วเมือนี้มันกลายเป็นมืออ่นมือหึอไปก็ม่ท้าวแต่มันพ้นในสราบนี่มันกลายเป็นาสรภาษีเมไตในาสตนาพนก็่เาสิว่าอนาคตอนาคตตับพืตับพือมันกแตงเมื่อย่ายๆมันจะสีไ้สอนาคต จมือเหยื่เหยื่อแต่ย้เข้าจังมือยินดีในอนาคตเพราะเข้าสั่งวารมีแก่ก้ามาแนวดีควมต้องการควาปารถธนาับว่าไยุได้รับเดียวกันแล้วตามสิติกาลัางของภ่ายของมันรับถอยในย่อมนอกกระส้มวารียูมานยูแต่อูของอเนจัง เขาพูดได้เยเรียกแฟนายกบ้านเนารียรเบอร์นะ่ะพูดอัานพูดอัานพกใกล้ถึงพวกสระบ า, นาวนี่สิไปทา้หนาเยอตัวนี่ไปยุงผมไปใช่ไม่อยไปเลยขนาว่าอายากเข้มมั น, นะไรก่อน โอ้ยจะมารวงไหวเนาะเออนี่นี่นี่นี่อันบเอาออกงออเนี่ยตู้วัดได้จากม่ภูเรื่องไรก็ได้บ้านไรกเรียบร้อยเว้ยาพยกรเขาก็ามาเอาหรอกเขียนใช่ใชเขียนใชหนังสือใ่หนัสืเอาเขียนเนี่ยหนังสือ ซื hmm. ้อเอามาเขียนไว่าซื้อให้ข้าจับเขียนว่ากบ่ดีนะผมอยู่กับเอ่อชาวตุรกันดอนอ่าักเสียไครับายรัเสไรนายแล้วไปถ่ายพระนง อากันแล้วซาชินซาของหามันดีน <S <S เาานาะฮะย่งอยู่จากมีไปนี่โค้มข้ามซอยมันดีชิบผาจากนี่ค้มขํามซอยไปหาหมกมันหาครับซีเก่าขับหามันเป็นชิบซีมันเป็นหาชิบซีกิโล จากนี้ไปหาหมุกระหันหาชิชีชโล่จากพวกกระหันไปสาพระนมมากันซีชิปาพูดละรกระตังร้อร้อยโรคพูดละใจในบ้าหมุกสาปพระนมร้อยโรคพูดละร้อยเอสพูดละ อ๋อเอสคนละวะเจ็ทุกคนเออขอโทษทั้าบัวทั้งโกโทษทั้งวัทั้งโกเออให้พากกันภาวนาไปแล้ววะธรรมะตกใจกับสิ่งที่เป็นค่าสึกแหงความสงบในธรรมวสามคำสอนแต่ละบทละบาท ส่งต่อไปนในภาณหมดคำสอนแต่ละบทหรึ่บาทครบพระใจไปหรอกหมดมันครบอยู่ในตัวมันเป็นสิกขาอยู่ในตัวอาทิสินสิกขาสิกขาคือสินดิ่ง อากิตะสิกิาสิกขาคือคิดยิ่งอาทิตปัญญาคืกขาคิกขาคือปัญญายิ่งสิกขาแต่ละสิกขานี่อาทิตย์สินสิขาสิกขาคือศีนยิ่งมันก็กินความถึงสมาธิและปัญญาอยู่ในตัวเพราะเรียกว่าสิกขาสิกขาหมายความกว้างกว่าสิกขาบท สมาปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาเยิ่งมันก็พอแปลเหมือนกันที่พระธรรมขมันธ์มันกรสีนสมาธิปัญญาของพระโวัวดาวังศีล ส, สมาธิปัญญาของพระจักรต า, าราีสีนสมาธิปัญญาของพระอนาคามีศีลสมาธิปัญญาของพระหลังมีคุณค่ า, ต, าต่างกันต่างกนนั่นลงมาเป็นรูกทิยะไม่ต้องภารบเ พ, พราะพอเรามาสาธาาไม่รับรอง ขบถรามาัสสานานครองแต่โลกุตระศีลโลคุตระสมาธิโลกุตระปัญญาทําไมจึงมีโลกีและโลกุตระมานปนเปยต่างตอบให้สมฐานะ้องมังทธีทวดตอบว่าเขาเหตุว่าเอาศาสดาอื่นมานปานเปยทักสะพรพุทธ ก็เลยถูกกล่าวตู่ไปว่าพระพุทธศาสนาเป็นโลกีไอ้ที่แท้พระบรมศาสนายืนยันแต่สุภเจปโนเป็นประมัญรากต้ น, นเหลือทางนั้นไม่ยืนยันเลยสุภเจปโน็ทุกยัจฉามีกิจนี่เนอะสาวกของเราสถาปน์ยืนยันตอนนั้นนี่เนอะคาสอนของสถาปน์จะเอาเป็นเกณฑ์ได้วันที่โตคฆมาวาสะังวันทิ่เป็นผู้ครองเรือน ก็หมายเอาพระอุปัาวันเต้นนัตถิพาราปริณาญาการณ์คนคาลไม่ใช่คนหัวหนา้าปัญธิตาปริณาญาการณ์ปัญธิตึงเป็นคนหัวหนา้านู้ดเพราเรามาศึกษาคำสอนของพุทธศาสนาะเป็นคำสอนธรรมาทิปไตยอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยเป็นเมืองขึ้นของธรรมาทิปไตยอยู่ในตัว จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาใครเขียนเท็จเขียนเท็จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเป็นไม่เป็นปัญหาเป็นเมืองขึ้นของที่เหนือชัอ้นใดก็ดีคำสอนใดใดในใจโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาหมดอยู่ในตัวเธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาต้หม้ต้นหมู่ต้พั ก, ก, พกต้นทั่วตั้งขึ้นแม่มองดูพระพุทธศาสนามันก็เหลือเกินไปไม่รอด เช่นพวกที่ซื้อไม่มีบาไม่มบุญเขาเบ่งรัตถ์นมากี่ปีเข้าไปรอดไม่นั่นพวกที่เซื้อไม่มันมีบาไม่มบุญแน่มันก็อรถกับพระชมาทพระเจ้าอยู่ในตัวเป็นคู่แข่งดีกันกับพระพุทธาศาสนาอยู่ในตัวไม่ควรเอาศาสดาอื่น มาขึ้นสเตตชกมวยกับศาสตราพุทธปราศรยศตนเทียมท่านถ้าเอาศาสตราอื่นขึ้นเรทีมาชกมวยกับศาสตราพุทธก็คล้ายๆกับว่าเอาเมล็ดพันธุ์พักการ์ดไปคว้างใส่ภูเขาหิมาอะไรหรือคล้ายๆกับว่า กองทัพนำลายบ้วนขึ้นฟ้า่ฟ้าใส่ต้นเสานักมวยเอกกลบไม่ทันกลํ ป, ปกําฝุนโตลมไม่เข้าปากก็ต้องเข้าจมูกต่อคอตาเราไม่สงสัยในคําสอนของพุทธศาสนาหรือถ้าหากว่าไม่สงสัยในคําสอนของพุทธศาสนาแล้ว การปฏิบัติมันก็ง่ายเอา้าพระพุทธศาสนะกของโลกทุกยุคทุกสมัยที่ห้ามาให้พระเป็นการบ้านการเมืองพูดผิดไปพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหน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 ก่อมอนุเคราะห์คุณพระบุตรด้วยสถานหกหนึ่งห้ามไกระทำควาชั่วสองแนะนําให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้เก่งหกบอกทางสวรรค์ให้นะพระพุทธศาสานาสอนที่ไหนพระพุทธศาสานาไม่ไม่สอนไม่มีเ อ, อ้าในไตโลรข้าที่ไหนพระพุทธศาสานาไม่สอนไม่มีใครเทศเก่ง ก็ไม่เท่าพาาระธรรมหากรมพุทธเจ้าใครปฏิบัติเก่งก็ไม่เหนือพระสมรมหากัมพุทธเจ้าใครแต่ฐานมีพระปัญญาพระเมตตาพระมหากรุณาก็ดีพระมหากรุณาดังสาโอ่อนโปรดมู่กระชากรมรอกขะกันดารชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุกระเสียมสารชี้ทางพระนาพีพานอันพน้นโศกวิโยคยัยพร้อเมเบรปปิประจักสุจริตในมณไส เห็นเหตุที่ไกลได้ข้อเจนจบไปจับจริงกำจับน้ำใจอยากสันดานบากแห่งชายหญิงสัตว์โรคไรพึ่งพิงเมรดาบเมลัพเมบาบเพ็ญบุญข้าขอประนบน้อมด้วยเสียงเก้าวางกลมคุณสมพพุทธการุณตอะกานาเคยได้ท่องหลวรัชกาลที่หกเอ้าการปกครองโลก มีทำสองข้อฉะนั้นพระบรมคาสตราทำเป็นโรคบาลคู่ครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นนี่ดิความละอายต่อบาปโหตปะความเสื่อมกลัวต่อบาปทำสองประการนี้เองปกครองโลกถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปเนี่ยควัดไมายวัดหมู่ควพักควัดพวก็ตั้งไม่อยู่กูของทำไม่นำคำหนึ่งก็หมด ที่เพิ่งพิงอิงอ่าใส่ทาความช่วยหม่ได้ในที่แก้ก็ไม่ไามก็ไปทําในที่รับนั่งนั่นั่นั่งระพฤติศาสตร์เอาศสนาเอามากินแล้วนั่ะนอกนั่งนอกนั่งก็เป็นเมืองขึ้นของคําพูดคํานี้นักฎหมายทุกถึงทุกอย่างเป็นเมืองขึ้นของคําพูดสอําำนี้นั่นนัความประพฤติแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นคําเป็นเมืองขึ้นของทำสองข้อนี้นั่นั่งนั่ ถ้าชาวโลกมีเชียนหา้าบริบูรณ์หมดแล้วสิ้นห้าประการนี่ชาวโลกต้องรักษาเป็นนิตนะพระบรมศาสดาว่าเคราาาือข่าควรรักษาเป็นนิตข้อก่อครือข่ายก็คือชาวโลกนั่นเองนั่นเอ้าเพียงชิ้นท้าแล้วมันมีเชียนท่าดูซิชาวโลกตำรวจมีไว้ทํำไม เรือนจำมีไว้ทำไมโซ่ตุรนมีไว้ทำไมนั่นคดีดำคดีแดงในโงรงพสารมีไว้ทำไมนั่นกุญแชมีไว้ทำไมนั่นอาวุธยุทพัณฑ์มีไว้ทำไมนั่ น, นทนนหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีงมค้ายของก็ไม่ต้องเข้าอ๋อเสียนักคือไว้อันนี้ราคานั้นอันนี้ราคาเท่านี้นเป็นเท้าไม่ต้องเข้าเลยถ้าไม่เห็นสิ่งของเขาเอากระดาษมาเขาเอาอะไรทับไว้ ขี้มาจากไหนปล้มาจากไหนออไม่มีนอนก็ไม่สรุ้งผวะเพราะไม่มีเรียนอยู่รอบข้างนั่นนั่นโลกจะสงบสักยงไหนนั่นสัทธาเทวามานุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ตั้งหลายนั่นนั่นนะว่ด้รับเอียงว่าจะสอนแต่พระพิสุทธิสมณีไปลอกินขนมเขาสอนวัด นั่นท่ามาเดี่สอนไปหลอกกินขนมข้าดอก <c oughs> ให้เราพูดบ้าๆเสียดอกนั่นเราลังเอร์แน่เรา <c oughs> เพราะว่าเปอร์เซนเลยเนะรากุฏิเจ้าองค์ไห้มาก็มาสอนอันเดียวกันไม่ไรไม่ได้รบรากอราบอคัน <c oughs> ไม่เหมือนคนหมาคนหมูกนฟักค น, กคนกกทั่วกุฏิเจ้าอเนกษัตะติย์กถาโยมากกว่าราชโสด สมาในข้างหน้าเหมือนทักพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพิจูสำเนียงลูกบาสกุบาทิต า, าของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นด้วยเป็นคําสอนอันเดียวกันเลยเป็นพอรอบอันเดียวกันก็ผิดกันแต่ว่าอายุยืนหรือสั้นกว่าตันเท่านั้นแต่ความหมายอันเดียวกันวัดก็มาเทศธรรมจักรบวัตนาสูตร องไหนมาพระพุทธเจอันเดียวกันยกชาติพิทุขาขึ้นให้กระทบแผ่นดินกระเทือนเลยชาติพิทุขากคำเดียวกระทบจนถึงพมะโลกเพราะพมะโลกก็ตายเป็นแก่เป็นเก็บเป็นป น, นะตลอดถึงมหาวิทยาลัยโนะลกกระเทือนเลยตูมคาเดียวก็กระเทืนเอทนทั้งโลกเลยชาติพิทุขา ชาติเป็นทุกข์เกิดเป็นเทวีบุตรเทวนาเป็นปินเป็นพรมเป็นพยประการเจ้าตโรคบาลทั้งสี่ไม่เป็นทุกข์หรอกพระพรมศาสนาไม่ได้ยืนอันไว้ในคัมภีรงไหนชาติพิทุกษาเพีงเลยไม่ลําเอียงชราะพิทักษาเพีงเลยไม่ได้นำพิทักษ์เพีงเลยน่นความโศกเศร้าโศกา เป็นนามธรรมเป็นนามมรรคที่มีกิเลสสิงต่อไปก็บอกวิธีปฏิบัติบอกไปต่อไปก็บอกวิธีเรืวิวิธีเวน้นนี้กามกาีทุกกาทุกขันธ์นิยมโยทุกขโทนิยมโยทุกขะนิโตอัตตะกิณมิฐานนิโย โ, ใโยสสอ ใ, โยโให้เวน้นบอกให้เว้นต่อไปก็บอกพ้นทางอัตชังคิโกมะโคอัตชังคิโกมะโคสมาธิสังฆโปจนถึงสมาธิ ก็เสียสมาธิปัญญามันก็แปดหมือนเทียบพระคระากมันคอยู่ในตัวแล้วนะธรรมจักรปวัตนาสูตรก็เขคือสูตรลูปสูตรนามของเก่านั่นเองเกิดแก่เก็บตายก็เป็นลูกขนันปัทนาไม่สมหวังเป็นนามขันอิงกับเกลนะิก็มีแต่ลูปกับนา เ, นเทธอยนะ่าง ก็ครบมาแล้วยก็แปดหมื่นทีกรทำมาขันแล้วคําสอนอะไรที่ครบรูปครบนามคําสอนอันนั้นก็ เ, เรียกความบริบูรณ์ในพระไตรปิฎกแล้วเพราะพระไตรปิกย่นลงมาถึงเอกนิบาตคือมโนภุพังขยายออกก็ครบแปดหมืม่นทีก็ทำมาขัน แบบมือกีก็ทําธ ร, รันธแท้คนนั่นอยู่นั่นแท้คนนี้อยู่นี่แท้คนนี้อยู่นี่แท้คนนี้อยู่นี่แล้วเอามารวมกันไว้อ้ยจแท้กว่าสีนสมาธิปัญญาอันเก่านั่นเองนั่นเอ้าทำแต่ละวระบาส่งต่อพระนิพพานหมดรัตนสูตรก็ดีมงคลสูตรก็ดีก็เทศเรื่องพระนิพพานเราดีดีเองก็เทศเรื่อง ไตไพดอกเราดีๆๆเองอริยสัตจานันสงอริยสัจสินิบาณสติสิยาจะเอตมังกลมุตตะมันั่งกพบแปดหมื่นี 80, ระธรรมขันธ์เหมือนกันอเอเสวนาจบารานังปัญญาทา น, น, นจกเสวนาปูชาจปูชนียานังเอตมังกลมุตตังไม่พบคนผ่านคนผ่านในทนี่หมายอาอะไรก็คือหมายเอาพระรหันเป็นขั้นที่หนึ่งนะ 80, พบแมือนีระธรรมขันธ์อยู่ในตัวแล้วพระรหัส น, นั่ น, ะนั่งบรรทิตาในจะบัรทิตหมาย อ, าอะไรบัรทิตหมายในทางพุทธศาสตร์มันกระหนาวกว่าหมายนักแต่พระสุรารันไปจนถึงพระหลานตามก่อนนั่นลงมาไม่ได้ถือว่าเป็นบรณทิตถือเป็นนักปราดนะนั่งถือว่าเป็นนักปร า, นะ า, าดได้ก็ถือบัรทิตได้ก็ไม่ได้ถือเป็นนักปราดเฉือนโคเสือนกระบือเหมือนพวกเราทุกวันนี้นั่น ไม่สมสายทำแต่ละวันละบานขยายออกส่งต่อพระเานหมดกรณีกรณีเมตตาสูตรก็ส่งต่อพระเาน เมตตาสัพพโรกัะ ม, ม่งมาล้าวจาเยปริมาณังผู้เจริญเมตตายืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดียังไม่หลับเพียงใดก็ได้ไลึกถืเมตตาได้เพียงนั้นเอตังคติงอทิียประ ม, มีตังวิหารังอิมะทิ์นจนุปกรณรม์มัสีละวัดเตสัมป น, นกมีสุวิเนยะเยทางนันงิจารุยปัเอยงางปุรนิติติไม่มาเกิดระคำในไม่มาเกิดใน ในคันเอกโดยแท้ทีเดียวถ้าไม้มาเกิดในในคันอีกด้วยแท้ทีเดียว ก, ก็คงเป็นอวิหะอัฏฐบาคุทตสาสุตสีก็เป็นสูตรของพระอนาคามีสินั่งถ้าถึงพระอนาคามีแล้วที่ไหนจึงจะไม่ถึงพระรหัสนั่งแต่ข้างอยู่ที่ไห น, นมันเข้าคิวแล้ว ถ้าถึงพระสวัสดิบาลแล้วไหนจะไม่ถึงพระอาหารหันต์นั่นทำฝ่ายโลกุตรละวินัยฝ่ายโลกุตรละเนี่ยอ๋อู้ที่ถึงพระโสดาบาลไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดเจียนทาไม่เสียดายอยากเล่นอบายจมุกไม่เสียดายอยากจะถือสราระอื่นไม่เสียดายอยากจะถือเรื่องดียามดีไม่เสียดายอยากจะถูกเวนีนผูกไทยกับท่านผู้ใด อุปนิ h a ปูกดไม่มีถึงจะโกรธก็ไม่ปลูกไม่จองเวรอาฆาตจองเวรปลูกใจเก็บไม่มีในสุภเทปนโนเคยได้ทำไม่ดีไหมกับเขามาแต่คร ก, ก่อนชาติก่อนก็ให้แล้วกันไปเสียเขาต้องนึกอย่างนี้พวกสุภเทปนโนเขาโกดอยู่แต่เขาไม่ตอบไม่ปลูกเวรเหตุท้่เขาจึงปิดอบายจะปลูกก็ปิดภูมิของกิจของกาของเขาปลูกมันจำท่าเขาปิดแล้ว ภูมันจะไปนรกเขาปิดภูมิเจิตภูมิใจเขาแล้วเขาไม่ปิดยาอีกซะห่อยเพราะเขาเห็นโทษดิ่งทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเห็นโทษสิ่งไหนเราก็ไม่ละยากเช่นเราเบ้อนํานลายออกปากเราไม่เสียดายเราเห็นเรามันมีประโยชน์เราก็ไม่ได้เสียดายว่าระวังเราจะเอามากินอีกชั้นใดก็ดีพูดพ้นไปแล้วไม่ล่วงละเมิดเส้นหา้าเพราะถือว่าเป็นเวร เ, เป็นภัยเอาจริง ไม่มีคุณอะไรมาเกี่ยวพนเลยมีแต่โทษรนร้วนมีแต่ยาพิษตรงโต๊ะมันไม่ใช่ยาพิษเพิ่มตำตาเมื่อเห็นชัดลงแล้วก็ไม่สามารถร่วงละเมืิดอาบายมุกเหมือนกันถ้าสงสัยว่ามันจะรวยอยู่มันก็เว้นไม่ได้ถ้าเห็นว่ามันดิ่งลงไปทางชิบหายแล้วมันก็เว้นเท่านั้นที่มันไม่เห็นดิง่งมาไปทางชิบหายก็เพราะอะไรก็เพราะยังไม่มีธรรมจักสุขอยู่ในดวงตาปัญญา เมื่ถึกพระสวสดาบันแล้วไม่เสียดายอยากลงละเมิดสินห้าไม่เสียดายอยากซื้อสดาศาสดาอื่นไม่เสียดายอยากถือเวทมนตร์คนราคาถาไม่เสียดายอยากจะขอดเวีนกับท่านผู้ใดไม่เสียดายอยากจะคบมิตรทั่วด้วยสบายยมุกทุกประเภทไม่เสียดายเลยชนไก่กัดปลาอะไรอะไรแข่งเรือแข่งมา้าท้ารพัดลงบาลงบา้าลงโบ่ลงเบะอะไร นุ่งน้อยถือน้อยไม่ใช่ยอยากไปดูไปชมกับเขาละเพราะไม่ใช่ทางรูปเพีงเลยนะโรคเขาพาไปก็ไม่ไปเพรพึ่งตนได้แล้วพุ่รู้จักหนทางแล้วเห็นฝั่งทะเลหรือปรี่รีร่แล้วคือฝั่งของความหลงเข้าใจแล้วเราจะข้ามฝั่งของความหลงได้รู้แล้ว นู่นในใจเลยไม่สงสัยแนวพุทธธรรมประสงค์เล ย, ด เ, ลยเดินช้าหรือเร็วก็มารีดออกซ้ายเรียกขวาและก็ไม่ถอยหลังด้วยต่ำกว่านั้นลงมาบางทีก็แวะซ้ายบางทีก็แวะขวาบางทีก็เดินหน้าบางทีก็กลับหลังต่ำกว่าสุภเชตโ น, นลงมาเหตุนั้นพวกเราควรเอาชัก ถ้ามาอย่างนั้นพวกเราจะเป็นมดเฝ้ามะมว่มมวงมะม่วงคืออะไรก็คือตัวของเราคล้ายๆกับมะมว่วงร่างกายของเรานะเดี๋ยวเจ้าของเขามาเอาไปกินเจ้าของคืออะไรเอวังชาลารจะมัดจุจักความตายอันนี้วัดกันติฟ้านี่โอ้ไม่เลือกหน้าแล้วท่าน ก็ถามว่าพวกท่านที่เครื่องบินพาตกนั่นถ้านไม่รู้หรือท่านจึงไปท่านในจารทร์วันก็ดีท่านในจารทร์จวนก็ดีถามเท่ถามถถาแล้วก็ตอบบ่าบอว่าเออเมื่อความตายมาถึงแล้วไม่มีใครเก็บไถ่ถอนด้วยเวทมนตร์ด้วยทัพย์นี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งทัพย์ทั้งหลายเกิดมาในโลกจะไม่ตายในในโลกจะไปตายที่ไหนนี่ข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งโกชัญญามม่นางสยใครจะรู้ว่าความตายมาในวันพร่งนี้จะให้รีบทำความเพียกชักรบรุษมัสการ์ดแสดงดูนอดีตตั้งนานวังกะเบียกผิดอะไรอะไรเประกากยนะหรือออกของรบรมรรัสา์สดงนี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งที่มันจริงมาก เราไม่รู้ว่ามันจะมาเราไม่รู้มันจะตายหรือเรามาเกิดทำไมอันนี้นะมันถูกมาก <c oughs> ถ้าหากว่าพราะารมาสซาดาของเรายังอยู่พวกนี้ไม่เคยมาอยู่ในชาตินี้เลอเคยตายพาการตายกับเครื่องร น, นกลไกตลอดถึงถตกรถตกเรือหรือสะาวแตกหรือ เรือแตกอย่างนั้นนี่มาหลายชาติหลายรภพแล้วคงเป็นแสน่าติกำแพงนี่ก็อ่านเป็นได้พระพรุทธ้าสนายังอยู่พราะเคยเห็นนางที่อุ้มลูกไม่ยอมฟังนางเอ๋ยโตจเธอจะไม่ยอมฟังยอมเผาหรือลูกของเธอแนละ้วน่ะมาตายในที่นี้น่ะแสนชาติกำแพงนี่นะนางนะส่วนของนางยังมากกว่านี้เราจะท้าท์ไปยังมากไปกว่านี้ ยอมพอนี่ก็ช้ำใดพอดีมีโยมคนหนึ่งไปรักษาศีลอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดคัพะพระพอตกกลางคืนมาเขาก็อุ้มไปอุ้มไปเอาผ้าอัดปากไปฆ่าตื่นขึ้นมาก็ไปเห็นเขาฆ่าอยู่ใกล้วัดเออเมื่อคืนนี้ก็รักษาศีลอยู่ด้วกันทำไมเป็นไปได้ เหตุไม่สมเหตุสมผลพระบรมศาลาได้ยินเสียงพระบรมศาสลาก็ลงช่งพร ะ, ะเสด็จลงมาถามพวกเธอพูดเรื่องอะไรกันเลือกเพื่อพูดเรื่องนั่นแหยพ่พระเจ้าข่ากเธอสงสัยหรือเธอสงสัยพระเจ้าข่าเออพวกนี้กูฆ่ามึงมึงฆ่ากูกูฆ่ามึงมึงฆ่ากูมาหลายชาหลายภพแล้วตั้งห้าร้อยชาติกว่ามาแล้วค เราเรามาศาสตร์ะมันเหตุมันสมผลจริงๆ ท, ท้งตัวอย่างนนั้เราไม่สงสัยกับพุทธศาสนาเลยและเราก็ไม่สงสัยในโลกทั้งปวงเลยคุณค่าของโลกทั้งปวงเกิดขึ้นจากแปรปรวนและแตกต่ายเท่านั้น สังขารโลกสังขารโลกโกคือสังขารสังขารโลกโลกคือมสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมโนโลกแด้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่สัตวามาพระเจ้าภคชั้นพรหมโลกได้แก่โลกประภมเทพชั้นและโลกประภมสี่ชั้นโลกทั้งหลายรวมลงมาในสังขารโลกสังขารแบ่งเป็นสองอุปาทินกะสังขารสังขารมีใจครองอนุปาทินกะสังขารสังขารที่มันมีใจครองสังขารทั้งสองอย่าง ผลลัพธ์ก็คือสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอันนี้จังเป็นทุกอย่างยิ่งชาติเป็นทุกอย่างยิ่งภพเป็นทุกอย่างยิ่งในทํามหมายเดียวกันเมื่อใดพิจารณาเห็นสังขารนไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกนั่นแหละทางแห่งวิสุทธิเมื่อเป็นทางแห่งวิสุทธิก็เป็นศีลวิสุทธิ ก็เป็นสมาธิวิสุทธิก็เป็นปัญญาวิสุทธิอยู่ในตัวคมคืนกันพุทธะสีจ่จำพวกสมาสัมพุทธะจำพวกหนึ่งพระเจตกับพุทธะจำพวกหนึ่งสาวกสาวิกาพุทธะ จำพวกหนึ่งสาวกจำพวกหนึ่งสาวิกาจำพวกหนึ่งสาวกสาวิกาหมายเอาแต่พระสวสดิ์วันเป็นต้นไปจะถึงพระหลานส่วนพระท่าสี่จำพวกสัมมาสัมพุทธ์เป็นขั้นที่หนึ่งวจเจก็พุทุตเป็นขั้นที่สองสาวกพุทุตเป็นขั้นที่สามสาวิกาพุทุตเป็นขั้นที่สี่เพือเรียงตามเพศ ทำไมจริงว่าสาวิกาพุทธะเป็นชั้นที่สี่เพราะเหตุว่านางพิษุนีหรือนางสกขามนาก็าดีนางพิษุนีจะสำเร็จพระอรหันต์ในวันนั้นก็ตามต้องเข้ารบพระพิสุผู้วัดใหม่ในวันนั้นนัและห้ามไม่หาอบายเทศพระพิุผู้วัดใหม่เพราะขมเพศผู้ย่างไว้ ถ้อย่มันจะตีเสมอเพศผู้ชายทำข้อนี้เป็นทำที่ข่มเพศไว้ข้อเกงว่าผู้หญิงจะผยองมันขี้ดื้อผู้หญิงเดจันจึงมีสาราชิเแตะนะมันซนผู้หญิงในที่พูดนี้มันจยพูดทับสมผู้หญิงพูดตามเป็นจริง เพราะผู้หญิงมันเก่งกว่าผู้ชายนรักษาศีลสามร้อยตัวบาลีเปรพูดก็หมูก็เพื่อนก็พูดว่าเวลาภาวนาลงแล้วก็ย่นลงมาเป็นอันเอวเลยเพราะทำทั้งหลายไปเ็นไปส่วนเดียว ลมหายใจข้อข้างหนึ่งครบแปดหมื่นทีพระธรรมมขันลมหายใจออกข้างหนึ่งก็ครบแปดหมื่นทีพระธรรมมขันเห็นทั้งต้นลมด้วยทั้งกลางลมด้วยทั้งทใต้ลมด้วยเกิดดับหายระหว่างไม่ได้ว่าเกิดดับหายระหว่างไม่ได้ก็เห็นสังขารจำพวงแล้วพอเห็นโลกทจำปวงแล้วว่าเห็นโลกทจำพวงชัดแล้วความทะเยอทะยานในโลกจำพวงพ่าห้ามเบรกลงสมุทัย และตันหาก็ห้ามเล็กลงมักก็เจริญไปในตัวนิโรดก็ทําให้แจ้งไปในตัวไม่ใช่ว่าจะพิจารณาทุกแล้วจึงปฏิบัติทุกแล้วปฏิบัติสมุทัยแล้วพอปฏิบัติมักแล้วพอปฏิบัตินิโรดอันนั้นมันเรี่ยงแบบไม่ถูกเมื่อพิจารณาทุกเป็นอารมณ์อยู่สมุทัยและตันหาก็เบาลงเองมักก็เจริญไปในตัวนิโรดก็ทําให้แจ้งไปในตัวทาแต่ละอันละอัน เป็นไปส่วนเดียวกันเนียวร่างถึงกันหมดเหมือนเราเคยเห็นหน้าเห็นตากันเคยเห็นหน้าแต่ว่าอัศวนเรอไอ้ทแท้เห็นตาเห็นจมูกเห็นแก้มเหมือนกันทดโทคันเดียวก็ตีจนถึงธรรมโมทั้งโคอยู่ในตัวพ่าเป็นเชือกสามเกลียวพุทธโทสองไว้ซึ่งผู้รู้ระบาดเบนเป็นณุธรรมโมปฏิบัติ ละบาปบำเพ็ญนุ่นสังโฆปฏิบัติทําทําโมทรงไม้ซึ่งระบาบบําเพ็ญนุ่นสังโฆปฏิบัติเพื่อระบาบบําเพ็ญนุ่นยอดพุทธโธคือพระในผานยอดทำโมคือพระในผานยอดสังโฆคือพระในผานคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย ค, า ค, คุณท่านผู้มีคุณฉันชอบคุณท้าปู๋ เป็นเมืองขึ้นของพุทธธรรมสง์พุทธธรรมสง์เป็นเมืองขึ้นไปรวมทิวกันอยู่ที่พระิพานศาส น, าใ น, ในะใดๆก็ตามเถิดต้องมาเคารพนับถือาศาสนาพุทธเสียก่อนจึงจัดสามารถสําเร็จพระโสดามันกัปปุทาหอนพระโมกคันลาสารีบุตรภาษารีบุตรมาเลื่อมใสพระอัตชิเสียก่อน จิตโอนเอียงออกจาศจากศาสนาอื่นแล้วโอนเอียงออกจากรัทธิสนชัยนาฏบุตรแล้วมาเรื่อมใสศาสานาพุทธถึงเห็นพระอาทิก็เพรเลื่อมใสพระาิตเทศให้ของก็สำเร็จพระโสดาบันในเวลานั้นส่วนพระพุทธกาล ก็มาเรื <c oughs> ่อมสายเอ็ะถึงสามารถสำเร็จพระสวสดาวันตัวอย่างที่ออกมาจากศาสตราอื่นก็มีพระโมกคันลาสารีบุตรออกมาก่อนเพื่อนเหตุฉะนั้นจึงว่าอัญชัตุเทศถีศาสดาอื่นไม่สามารถถึงพระสวสดาวันได้ชจาพิถานิอภโภตาด้ มํลัปสร้างเครัตนังปณีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัตเถียโหตุอันนี้ก็เป็นรัตนะอันประณิษในพระสมฆ์ถ้สวดามันท่านไม่ยอมถือศาสตาอื่นชะชาพิฐานานี้ฉะข้อคงก็เป็นหกอภิธานพทษอย่างหนักกวอันนี้ทัตุเทศถือศาสตาอื่นเพิ่มเข้าอีกไม่ทำโหตุเราเคยได้ยินแต่อ น, นันตันยกรรมห้า ในนัคำโทมีอันนั้นอันันตระยกรรมหกเอกมาทุกขาคามเลาพีทุกข้าข้าิระณาขาค้ารานโลหิตุบาททำลายพุทธเจ้าทึงอย่างไลงหิสใอกันไปสังฆเพศยังตองแตกจากกันอันยัดรทุทถือาดราอื่นไม่มีในพระสวัสดวันสูตอันนี้เป็นสูตรพระสวสดาัง อิารปตเตรตนตังเอเนนะสุว ต, ตุอันนี้เป็นสูตรของพระรพุทธเจ้าอิรมปิธรรมเมก็เป็นสูตรของพระธรรมออิาปิสั่งเทเป็นสูตรของพระรยสงฆ์เมื่อถึงพูดถึงพธรรมกับพระรยาสงฆ์ก็กลมืนกันไปหากเียกันมัมั น, ะ, มนะถึงกันะกัน สิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ยังไม่สอนมีไหมไม่มีขงังทรพยันขณะนางเกวราปาริคุณนังวันที่สุทธทำธรรมจัดยาประกาศเสียสิทธิ์ประกาศแล้วบริบูรณ์แล้วตมหาขมวันตังตูตยามิตามหาขมวันตันงชีรสาเนามามิจึงยอมกราบไหว้ไม่ได้กราบไหว้แบบบ้าว่าไม่ได้กราบไหว้แบบข่าวโลวเขาทำเขาก็ทําไปเพราแยากกายแล้ว ถึงไหนที่ยังไม่มีไม่ได้สอนแม่พี่เหตุฉะนั้นจึงลางเข้าสู่พระยพานไปสักนะแม่ได้เพียงโทษตนเองว่าเออตอนนั้นข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้สอนโลกตอนนี้ข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้สอนโลกเทวดาเทวดามารพมที่คือสมเณรตลอดทุกสิ่งสังเรายังไม่ได้สอนเรายังบุฟ่องมันเป็นความผิดของเรา<ม><ม>พระบรมวัชร์สดามแม่พี่เพียงโทษตนเองเลยนะเราจะลาพราะท่านละบริบูรณ์แล้ว จะมาหวังอะไรกับเราผู้ดใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราคําสอนแต่ละบทละบาทนั่นเองจะเป็นศาสตาของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงปฏิบัติเถิดถ้ามาพิจารณาดูก็ค่ากัว่าคำสอนแต่ละบทแต่ละบาทเรียกอยู่ไม่มีสัมวันกันอื่มาเถิดลูกหลานเอ๋ยมาเถิดลูกหลานเอ๋ยด่วนเน้อด่วนเน้อไฟแม่บ้านไม่เรือนของลูกหลานนะ่ะจงเรียบดับซะ หมายว่าชวนบุคคลผู้่ารมีแก่ต้าแล้วผู้ที่ยังอยู่กอธราคาขอธราคาขอสอนให้ยินดีในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเสียก่อนเป็นลำดับมาแต่เบื้องต้นส่วนผู้ที่ไกลสูงทำสูงบ้างแล้วกขได้อบลมบารมีมาแต่ชาติก่อนอสอนให้เห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่เลยผู้ใดเห็นภัยในวัฏสงสารผู้นั้นหละ คือพิสุจากหัวดําหัวขาวก็ตามนะเมื่อเห็นภายในวัตฏะสงสารความเพลินในวัฏฏะสงสารมันก็ห้ามเบีลุลงนั่นคือตัวศีลนั่นคือตัวสมาธินั่นคือตัวบัญญัติแต่มันบัญญัติไม่เป็นนะทาไมจึงบัญญัติไม่เป็นเพราะแม้แตกแขนในอัตในธรรมก็บัญญัติไม่เป็นสิเหตุฉะนั้นธรรมะปฏิสัมภษษษมิทาจึงมีในทางพุทธศาสนา เราดูครูบาอาจารย์เทศก็ดีดูคัมภีร์นั่นคัมเีรนี่ของพระองค์ก็ดีไม่ใช่เราสงสัยในพระพุทธศาสนาคัมภีร์ น, ะนี่ท่านอธิบายกว้างขนาดไหนท่านอธิบายสั้นขนาดไหนเท่านั้นครูบาอาการย์งนี้วงหารของท่านจะไปแบบไหนวัหารของท่านจะไปเนี่ยแบบไหนแกนทรรมของท่านจะไปแบบไหน เราพูดเราดูเฉยๆครูบาอาจารย์แต่งหนังสือเราไเนี่ยสงสัยในพระพุทธธรรมงค์ไม่ในสงสัยในปฏิประทาลังเลในความปฏิบัติของตนเลยนั้นครูบอาจารย์แต่งแล้วก็ไม่ประมาณองค์ท่านแจกฉันทําขนาดไหนท่านอธิบายไปยังไงปีนเกลียวหรือไม่เปียนเกลียวเราพิจาร้าเฉยๆไม่ใช่เราเราสงสัย คำพีที่พระบรมศาสดาพิมพ์ไว้เหมือนกันที่สี่เสืผ้าเรี่ยมหรือร้อยเรีม่มปู้ยั้งสายาเหมือนกันสี่เสื้อผ้าเรี่ยมเหมือนกันอธิบายแคบอธิบายกว้างเราก็ไม่สงสัยที่ควะพูดยาวจุลวะพูดสั้นมหาวักพูดหลายวักหลายตอนมัทิตบาวัพูดขาดกลางไอ้ที่แท้ก็หมายอันเดียวกัน เป็นแต่เพียงพูดมากเป็นแต่เพียงพูดน้อยเท่านั้นพระมากมันก็มากออกไปา ก, ไกาดไก่น้อยมันก็น้อยออกไปกัลงมาหายใจย่นก็ย่นลงมาหายใจยาวเหยียดออกไปก็ยาวเหยียดออกไปากาดไก่เครื่องแค่เดียวถึงไปยาวเหยียดทั่วใจโลกระถ่ถ้าดึงมาก็กองอยู่ไม่มีที่จะกองอยู่ถ้าขึงไปก็ไม่มีที่ยาวเหยียดก็ไม่มีที่กร ะ, ะึงน้ำข้าวโหลงมาอันเดียวกม ตามทั้งหมีอยู่ในปัจจุบันแล้วไม่ใช่เราพิจารณาดินดินจึงมีเราพิจารณาน้าม่าจึงจะมีเราพิจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณาลมลมจึงจะมีเราพูดอางนั้นไม่ถูกดินหน้าไฟลมมีอยู่ตามสมมติแล้วและต้องมีอยู่ตามธรรมชาติสิ่งไห้นจะเป็นของแข็งสิ่งนั้นก็เป็นธาตุดินสิ่งไหนที่เป็นเหลวคือมิาบก็เป็นธาตุน้ำสิ่งนันที่วบอุ่นก็เป็นธาตุไฟสิ่งนันที่พัดไปมาก็เป็นธาตุลมธาตสิ่งเหลนี้เพราะที่รู้ตามปจริงของธรรม รเราปฏิบัติตามเป็นจริงของรอธรรม้ราลดทอนจากตามเป็นจริงของความที่ควาเบียดเบีเอาเป็นเะจ้าของนักพระพุทธศาสราถ้าทําให้มีอยู่ก่อนพระเรามาศาสนาก็ไม่ฟามารุ่ม ท, ทาทั้งหลายมีอยู่ก่อนแล้วปุเพสุปุเพสุอ น, นันตสุเตสุธรรมเเมสุจะุ่ง ม, มันมีอยู่ก่อนเนี่ยมุสต า, าทิยาหัางยานของเราที่เกิดขึ้นแล้วปัญญาของเราที่เกิดขึ้นแล้ววิชาเราได้เกิดขึ้นแล้วสัญญขกขะโครู้หรือไม่รู้ประตามมีอยู่ก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็เหมือนกันก็เปยนอุทานอย่างเดียวฟัง นั่นคำทั้งหลายมีอยู่ก่อนแล้วเหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเขารลบซ้คําว่าพุทธศาสนามันเป็นดิงของชาวโลกแล้วมันเป็นธรรมาธิปไต้ลัปตาธิปไตยเป็นเมืองขึ้นของธรรมาธิปไตยโลกาธิปไตยก็เป็นเมืองขึ้นของธรรมาธิปไตยเป็นเมืองขึ้นของพระศาสนานัา่นทาอะไร ไม่มองดูว่าพุทธศาสนามันไปไม่รอดตั้งกฎหมายทับถมว่าพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเหมือนกันเอนั่งพระศาสนาอื่นบัญญัติบาปไม่ถูกบัญญัติบุญไม่ถูกไม่เหมือนพระพธรรมจักรสิ่งที่เป็นบาปไปบัญญัติบุญก็มีสิ่งที่เป็นบุญไปบัญญัติบาปก็มีบางท่านพูดว่าเออศาสนาใดก็ดีเหมือนกัน แต่ก็ดีอยู่จะให้ดีทั้งโลคุตระนั่นดีไหมถ้าแม้กล้าเพิดทูนพระพุทธศาสนาก็รลยียกว่าลำเอียงเพราะความรักไข่กันเรียกทันทากติลำเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโททากติลำเอียงเพราะเขาอยากโมหากติลำเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติเพราะกลัวว่าจะกระทบกระเสือนเขาไม่อยากลงยองพระพุทธศาสนาเดี๋ยวเขาเรียกพยากติลำเอียงเพราะเขา เพไม่รู้เท่าเพราะไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นของไม่ข่าเขาอยกว่างลำเอียงพวกเขาก็รียกโมหะขตินะั่งลำเอียงพราะความรักไข่กันก็เพราะรักไข่คนนั้นคนนี้รักไข่รักที่นั่นที่นี่ก็ลําเอียงเอยากขอชำทาขติเพราะไม่ชอบพระพุทธศาสนาโปรดให้พระพุทธศาสนาเขาียกว่าโทสาขตินะโทษาดีบุต เป็นผู้ทรงพระปัญญามากองค์ท่านทรงชนเสริญคุณพระบรมศาสาตร์เป่เป่งเป่งเป่เป่งเลยไม่กลัวใครก้าเดินโยกรมกลับไปกลับมานึกถึงคุณของพระบรมศาสตราลงสู่อนัตตาธรรมอันไม่มีประมาณอนัตตาคุณอันไม่เกิดไม่ดับตลอดถึงคุณพระพระธรรมพระอริยสงฆ์ซึ่งกลมกลืนกันอยู่ไม่มีประมาณพระองค์งเอ๋ย ถึงจะย่นลงมาเป็นสองเป็นสามก็ไม่มีประมาณก็หาที่วางม่ได้ถึงจะย่นลงเป็นเอกะคุณในปัจจุบันก็หาที่วางมาได้ใหญ่ยยโตหัวฐานโตเอ๋ยถึงจะขยายออกก็ไม่มีสิ่งที่ขยายเต็มเสียแล้วโลกอันนี้มากก่อไม่สีไม่ท า, ายเข้ามาสมุออสงไขยอสงไขยมหาสมอหาที่ประมาณไม่ได้เออดีละดีละเธอเป็นผู้มีปัญญามากเธอก็ต้องแลเห็นมากสิ เพราะเธอเป็นผู้มีปัญญามากสาธุบุตรเอ๋ยเรามาเห็นสาวว่าคนใดจะมีปัญญามากเหมือนเธอเราได้ชมเธอนั่นเองเรื่องปัญญาเรื่องฤทธิ์เราก็ได้ชมอกขังเราและองค์อื่นก็มีบ้างลูกศิตของเราปัญญาเก่งกว่าเพื่อนก็คือเธอนี่เอง แต่าฉะนั้นจึงตั้งไว้ในสาบกบิกขวาทำแต่ละบทระบาทเป็นเมืองขึ้นของปัญญาหมดสินท่าก็เป็นเมืองขึ้นของปัญญาผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาสิ้นท่าไม่ได้สิ้นทาเป็นสมาธิบ้างหรือไม่ก็ระลึกถึงถึงสินของตอนก็อย่าไปเสียลานุสติแล้วนั่น รวมลงลงไหมรวมจะลงจนไม่ยอมฆ่าตัดตัดชีวิตน่ะรวมแบกไม่ถอนรวมด้วยปัญญาเรียกว่าไม่ยอมฆ่าแบกเรียกว่ารวมด้วยปัญญาจิตนาการมีมุสาสุลาก็เหมือนกันพราะธนบัณยั ง, มยงไม่อีกไม่ฆ่าขายเชงประหารไม่ฆ่าขายมนุษย์ ไม่ค้าขายกัดเตินเยน่าสะที่ตัข้าวเพป็นอาหารไม่ค้าขายน้ำมันไม่ค้าขายยาพิษไม่เสียดายเลยถ้าเสียดายอยู่ไม่ใช่พระสดวรรณ น, นั่นถ้าว่าถึงพระสุวรรณแล้วสกทาคามีานาคามีภ า, ารันก็อยู่ในอุ้งมืออุ้งมือของสติ พระสติพระปัญญานั่นเองยบางท่านก็บอกว่าเออมรรคผลเนี่ยพานมันหมดแล้วเออมรรคผลนี่ยพานมันหมดแล้วมันไม่มีหรอกมันหมดไปแล้วมรรคผลเนี่พานมันจะหมดไปไหนพูดไม่ได้มรรคผลเนี่ยพานหมดจากรับมรรคผลเนี่พานต่างกูไปไหนกูก็ไม่น่าเลือ่อนสายเพราะกูไม่เห็นพระอรหันต์ กูไม่เห็นพระโสดาบันถ้าอยากเห็นพระโสดาบันก็ต้องเป็นพระโสดาบันเสียก่อนสิถ้าอยากเห็นพระสัพพทาคามีก็ต้องเป็นพระสัพพทาคามีก่อนสิถ้าอยากเห็นพระอนาคามีต้องเป็นพระอนาคามีก่อนสิถ้าจะเห็นพระอรหันต์ก็ต้องเป็นพระอรหันต์ก่อนสิถ้าจะรู้ว่าเกลือมันเข็มหรือไม่เค็มก็ต้องจิบดูสิทีนี้พระพุทธการมีดอกบัวสีเรามีอยู่ทุกๆุกทุกสมัยเทียบใส่ดอกบัวสีเหลา ทุกวันนี้มีหรือไม่ดอกบางก็บางเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมอน้าก็เสมอน้าเต็มภูมิดอกใต้น้ําก็ใต้น้ําเต็มภูมิดอกใต้น้ำก็คือพวกสกื้อมันมีอุนมีบอกดอกเสมอน้ำก็ยังมาถึงโลกุตะบางที่ก็ถือผีบ้างบางที่ ก็เล่นเลกว่าบางทีก็ถือศาสนาอื่นบ้างส่วนที่พดนน้ำแล้วนนเป็ น, นพวกที่ชุที่ปัญนูอุชุยายะฆามีเก่เพราะผลน้อยผลมากต่างกันดอกบานเต็มภูมิเรื่องกระไม้ของพาาระละหันแล้วถ้าหาว่าดอกบัวสี่เหล า, ามีแต่ขั้งพุทธกาลก็เป็นสระทังหนึ่ง ถ้าถว่าทำฐ า, ายเป็นของใหม่มันก็เป็นถานหนึ่ทำท้ า, ายเป็นของเก่าอยู่เปิดดูเวลาไหนก็ใหม่อยู่เวลานั้นคำสอนอภิธรรมศาสนาเนี่ถ้าเป็นอาหารก็ไม่บูดไม่เน่าถ้าเป็นห้อนางก็ไม่รกถ้าเป็นร้านบ้านเป็นเรือนก็ยังดีๆอยู่ไม่มีปวกมีมดอะไรกับ บางท่านบอกว่าอยากจะคอยเห็นหน้ารฏิญาณมุ่งใจโอ้ผมไม่ได้เลกอย่างนั้นผมริ่มใช้ศาสนาพระโคโรมเขาเท่ากับว่าผมเริ่มใส่พระพุทธเจ้าทั้งหลายศาสตรนาทั้งหลายของพระพุทธเจ้าที่ล่วงไปแล้อยอโศกไคอสศกไคกลับที่จะมาในครั้งหน้าก็อโศกไคอโศกไคกับ แต่ถกลับระกับมีพระพุทธเจ้ากี่องค์นับไม่ไหวแต่อสศงไข้สงไข้มีพระพุทธเจ้ากี่องค์ก็นับไม่ไหวแต่กลับก็ยังอสศงไขยกลับแล้วพระพุทธเจ้าจะนับไหวทำไมนั่นภูพันโทกะภูสันโธสัตวาโโกนางมโนรนันทาวุโธคัตโผลศิสะปโถตมยปุโกะูสันโธโกนาคมโนคัตโผลโคตโมอริยเมตไตโย มี่กัปหนึ่งเป็นพัตตะกับเนี่ยบ้ากัปก็มีพระพุทธเจ้าสอง ส, องสามพระองค์บ้าหรือสองพระองค์บ้างกัปนี้เป็นพัตตะกับมีห้าพระองค์แต่ว่าศาสนาห้าพันปีแต่อะไรจริงอะไตแค่ศาสนามีอยู่ไม่รบเรือไปทางไหนแต่มาเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคเฉ ย, ยๆเพราะอะไรทําไมถึงมาเป็นยุค ก็ผู้ประพุทธพระพุทธศาสนาเสื่อมนี้ออกจากแต่ทำทา้งหลาย ม, มีอยู่พระเว้นช่องให้ผ พ, พุทธเจ้าองค์อื่นมาอีกจะอยู่ไปทำไมอีกก็าเข้าสู่พระนิพพานเว้นช่องให้องค์อื่นมาแทนตนํแหน่งรักเสือรักคารไหาในนา้าดำในบินวิ น, นในอากาศอยู่ในใจโรกธาตมันจะมาลวงคิวศาสนาหมดศา ส, สนาพุทธหมดแต่ยัง ไม่มีคิวมันต้องมามาจวพระพุทธศาสนาหมดเข้าสู่พระ涅นหมดแต่ยังไม่ทันมีคิวจะเข้าสู่พระานต้องเข้ามาจะถึงพระสวัสดาวันสัปดาห์กางเมน่าครับก็ต้องเข้ามาหาศาสนาพุทธเสียก่อนไม่ได้พูดเข้าข้าตัวความจริงมันเป็นอย่างนั้นอริยสัจทำไมอนราลาบทดุทกะลาบทรามบท จึงไม่ถึงพระสวัสดิวันสักทาคามีอนาคามีบ้าเขาภาวนาถึงเนียว่าสัญญาณาสัญญาอตาตตระแล้วเป็นผู้มีความจําก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจําก็ไม่ใช่เป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เอาอยู่นั่นมันมีกลางวันกลางคืนจนจิตไม่ได้เหนียวถึงลูกเป็นอารมณ์มีแต่อารุปเป็นอารมณ์ของจิตตายค้านั่นไปเกิดในอารมณ ป, ประพรษ์แปดหมื่นสี่พันกลับ แปร์มกินสีันกับแต่เนี่พระพุทธเจ้าคือพระองค์ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นโลกิอยู่เพราะยังไม่ตัดสังโยเพราะยังไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนายังไม่เกิดขึ้นเพราะพระองค์เพราะพระองค์ตัดสังโยแล้วจึงรีบมาหาพวกนั้นพอมาหาพวกนั้นนะพวกนั้นตายไปก่อนสักโอ้เสียดายหนอถ้าเรามาทันก็ถึงพระโสดาวันนั่ตายไปแล้วเกิดวันแล้ว ไปอยู่อรูปภคมแปดหมื่นถี่พันกับแล้วออกจลางนั่นจะไปหาพระพันพเจ้าคีจึงไปพบตพุทธะพัพนแลอิทธิกานั่นเองผ่นตพุทธะพัพนทิกะเช่นก่อนอหตุเช่นั้นจึงสอสนแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ถึงพระพุทธธรรมาสมสเป็นชนะแล้วอย่าหวังเลย น้าโมพระโสดาวันไม่หลงทางหน้โมพระสกทาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นน้าโมแปลว่าน้อมๆเพราะน้อมๆต่างกันแยบคลายต่างกันน้อมๆจิตน้อมๆปัญญานั่นเองน้อมๆธรรมะนั่นเองแต่ว่าน้อมๆต่างกันเพราะแตกฉานกว่ากันตามฐานะของธรรมะธรรมะก็ต้องมีขั้น วันณะเหมือนกันชันธวัตว awan ันธ์พระพุทธาภิเษกขันธอนาถามิันพระรานขัน์พระกัจจุริ่าันพระสมมาสัพพุทธเจ้าจะปฏิเสธมนกันก็ไม่ถูกเพราะมีคุณค่าต่างกัะเพราะมีต่ำมีสูงพระพุทธศาสนาก็ต้องมีสักนินาต่ำสูงเหมือนกันใครจะเป็นผู้ทาสักนิราก็ธรรมะนั่นเองเป็นสักนิา แต่เงินของเราก็ยังมีสักดีนาใบละห้าบาทใบละพันบาทใบละพันบาทก็ยังมีค่ากว่าใบละห้าบาทนั่นทุกสิ่งทุกอย่างมีสักดีนาหมดมันตั้งเองมันแผ่นดินที่มีปุ๋ยมันก็มีสักดีนาพอปลูกอะไรมันก็งาวแผ่นดินที่มีแร่มันก็มีสักดีนามีแร่มีบุกมีแร่ทองคํานะหินก็เหมือนกันก็ยังมีสักดีนา หิทท น, นที่ทําถนนหินที่ทําปูนเสมหินที่เอามาปูเหินทั้ทงหลายเหล่านี้ก็มีสัดนดานต่างกันเพราะมีคุณค่าต่างกันวิดาก็วิดามาราเต็มภูมิลูกศิษย์ก็ลูกศิษย์เต็มภูมิอาจารย์ก็อาจารย์เต็มภูมิมีขันวันละหมด จะมาให้มีชั้นวันละประชาธิปไตยมาให้มีชั้นวันละมันเกิดขอบเขตไม่ถูกก็ต้องมีชั้นวันละแต่คนโจรคนทานก็ยังมีชั้นวันละมึงไปมึงไปพ่นเท่นั้นมึงไปทําอันนั่นให้กูมึงไปทำมึงไปไปทำอันนั้นให้กูเดี๋ยวกูยิงมึงทิ้งอ่ะวหน้าโจร สมาจะนอนด้วยไหมนอนเป็นเป็นหนึ่งงฮะนอนเหงน่ะอ้วงนี้จะนอนทําหมอนอนี่มอเออนอนเป็นหนาบาตรัวดีกี่ะบตรตองปูนน เน่าตายใช่ไหมตายหดปวดวจะลายผมฮะปวดเอวจะได้ปวดอวอวเนาะเฮ้ยคิดอย่างนี้หล่อ่าไปเจอมาจดเงินกูกูมาตัวดีก็แบบกูมาตัวดีก็แบบมาตัวมาตัวดีว่ามาตัวมาตัวดีว่ามาตัเอาวะกูจะให้บา บาดนียุะบาดดีก็บาดนี่บาดดียุของผมโอ้บาดตะเกเรียผมถ้ามาหาใเงน้อยากได้ถ้าปรากฏแอนะะปรแอลบาดดดอกอูดอะเห็นยุวปรากฏแอวคือเห็นในปรากฏเห็นยุวะต้อกลังที่มันฟ้ามันไปู้ลายทิมันับหลายจตัวบาดนีฟ้ามัน่หลออไก่ใจดรอกฮะ ก็แตได้ยดี อ, เ, อนะเดียวจะไปแตะ <c oughs> มั้ขาดไปเนน่ขาดเส้่งแอ้ใปวาปวไดเา่ขาดพีร้ออ่ะไเจ็เลยั อันนี้เป็นอย่างไรยาครับอะไรเนี่ยยาเมื่อสายหลวงปู่ซึ่งก่อตื่นติวมีิตรไร้รองเหลีวลงหอมนณฑาสางคือเมื่อไหร อ, อระนนั้นต่างตื่นติวมีิตรไร้รองเหลีวลงหอมมณฑายสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหาระหว่าไม่ได้แปรปวนหาระหว่าไม่ได้ดับไปหาระหว่าไม่ได้นี่กดดับเร็วมากจนติดกันเลย นี่สังเกตกันเลยนา ม, มาทํามยิ่งเร็วกว่านี้แต่เพียงรูปธรรมก็ขนาดนี้แล้นา ม, มาทําเกิดดับเร็วติดกันจนเป็นพืชถ้าเราสังเกตไม่ชัดไม่จับลมใหด้ดีไม่รู้จักว่ามันเกิดมันดับดอกเหนียวอันเดียวไปแล้วก็มาทา้าอันอื่นมารวมนั่นหมด เห็นทุกในปัจจุบันชัดทุกในอดีตอนาคตไม่ต้องสงสัยเอาตัวปัจจุบันเป็นตัวประกันศีมตัดสิน ล, ลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญารอบรู้ลงในปัจจุบันปัจจุบันก่จิตปัจจุบันจจบน่ะธรรมครบแปหมื่นสีพระธรรมวัชรหมด เห็นอนิจจังขณะเดียวทะลุโลกเลยทะลุทั้งภูเขาเพราะภูเขามันแตกสลายเป็นเพราะในใจเรากา็ท่าแตกสลายเป็นใครเป็นผู้เสวยพระนิพพานก็พระนิพพานเป็นผู้เเสวยพระนิพพานนอกจากพระนิพพานไม่มีใครจะสวยพระนิพพานได้สังขารได้เป็นหน้าที่จะไปเสวยพระนิพพานได้ ปูญยาพิชางขานก็จับถึงเพียงพระอนาคามีเท่านั้นปูญญาพิสังขารก็จับเพียงโลคันตานรกเท่านั้นอนเนนชาพิชางขานก็จับเพียงพรหมโลกเท่านั้นมีปัญหาสอดเข้ามาว่าได้โลดสมาเป็น สังขารหรือไม่ขอตอบว่านิโรดสมาบัตเป็นสังขารอยู่เพราะหมดกำลังก็อถอนออกมาเหตุฉะนั้นพระอนาคามีเตวิโชท่านเข้าได้ชะละเป็นอยู่ท่านก็เข้าได้ไม่ไว้แต่พระอนาคามี สุขเวทยปตะกูหรือพระทหารสุขเวทยปตะกูส่วนต่ำกว่านั้นลงมาพระสวสดาวันไม่สามารถเข้าได้พระสกทาปายไม่สามารถเข้าได้จะเข้าได้แต่พระอนาคามีที่เป็นเตวิโชชละพินโยพุิสัมพิทพัปโตส่วนพระอนาคามีสุขเวทัปตะกูและพระทหารไม่ไม่เกี่ยวเพราะท่านเจริญกรรมฐ า, านสามส่วนสมถะสามส่วนวิปัสสนาส่วนหนึ่งควบคู่กันไป เซวิตโจชระพินโดปฏิสังบิธัพประตูท่านเจริญสมถะสามส่วนที่พัฒนาส่วนเดียวส่วนสุขยาปัสโกเนี่ยปัญญากล้ามากเหตุฉะนั้นจึงตัดทะลุได้เร็วซึก ส, สุขยายปัสโกก็เทียบใส่กับปัญญาทิกะนั่นเองสวาวกผู้เป็นปัญญาทิกะมีเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้า พวกปัญญาทิกาก็คือสุสขภิปัตโกนั่นเองถ้าจะไปถามท่านว่าชาติก่อนท่านเป็นอะไรมาพระเจ้าค้าท่านก็ตอบว่าธรรมชาตินี้อวเป็นทุกข์ผมไม่สงสัยหรอกผมไม่จําเป็นจะไปค้ น, คนชาติหน้าเป็นอะไรคําว่าชาติก็เป็นทุกข์ผมไม่ต้องไปค้ น, คน ที่นี่จะว่าท่านตอบผิดมันก็ไม่ถูกท่านที่เป็นชสกยุปัตโกท่านจะนับเม็ดหินเม็ดทรายได้หรือไม่ถ้าจะให้เราตอบเราก็ต้องตอบว่าท่านต้องนับได้แม้ภาษาในบทก็คงเอาปัญญานับไม่ใช่เอาสมาธินะับ ไม่ใช่เอาชานเอาลทิดเดชนับนับเป็นเหตุแม่ใชายเท่ามหาสมุทรแต่เรามีกิเลสเท่าภูเขาทุกวันเนี่ยเรากอนับได้นับเป็นเหตุแม่ทรายเท่ามหาสมุทรก่อนเราที่จะนับได้เราเป็นคนขี้สน้นเราไปภาวนาอยู่ภูเก็ตพังงากับหลวงผู่เทศทีนี้ ขอลมละเอียดเข้าไปก็ก๊กเก๊กเก๊กเก๊กเือกนี่แล้วกคนคนสนเออเราไปนับเม็ดหินเม็ดทรายดูก่อนเมื่อเรานึกอย่างนั้นเราไม่รวมเข้าลรออกก็เก๊กเก๊กก๊กเก๊กยู่นี่เราจับอันนี้ไว้นับเม็ดหินเม็ดทรายดูสิเมื่อเวลานึกอย่างนั้นไม่ได้ฟุ้ง ไม่ได้ฟุ่งออกนี้กับลมเห็นสติเห็นเส็นลมหายใจเข้าหายใจออกก็กระ๊กกระ๊กกระกอย่างงี้ไม่ยอมปล่อยให้มันเข้าเลยให้มันอยู่งี้แหเพราะอาถรรพมันเป็นหลักถ้ามันเข้าพับแล้วเนยเดี๋ยวมันกุมดลําลังก็ะถอนออกมาเองมันไม่มีปัญญาปล่อยให้มันเข้าพับเรามันก็รู้จักว่าแต่เบาเท่านั้นปัญญามาแตะสารนะนะเรานับได้ซิเรามีกิเลสเต็มภูเขาน่ะเอกราชวิถีธาตุคือธาเดิน เอกาเอาโฐทาตคือธาตุน้ำเอกะเตโชธาตุคือธ า, า, อาตุไฟเอกะวายโอธาตุคือธาตุาาาลมเพราะนับลงเป็นหนึ่งถ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงอสุไขผู้นับก็เป็นผีบาสีผู้เป็นกรรมการก็เป็นผีบาศีเราพูดอย่างนี้เพราะนับเป็นฝ่ายทั้งข้าวโห่หนึ่งดินหนึ่งน้ำหนึ่งไฟหนึ่งลมธาตุแปลเป็นไทยเพราะนับลงเป็นหนึ่ง เมื่อเห็นแม่ทายมีเท่าไรก่ก็ตามนับลงเป็นหนึ่งเรียกว่าสังขะในเรียกว่าสังขโหสงเคราะห์ลงมาเป็นหนึ่งอาสังโโหไม่สงเคราะห์นับจนถึงแปดมื่นสี่พระสัมขันเรียกว่าอาสังขะโหสงสังขโหสงเคราะห์ลงมาเป็นหนึ่งเอกะเนวะแล้วคําคอันมีบทเดียวทอนาความนั้นกันถ้าพทุกยนลงมาหาเอกะทุก สัพตายย่นลงมาหาเอกตายสัาวิมุตย์ย่นลงมาหาเป็นเอกวิมุตเหมือนกันสัพะสมุตยก็จะมาหาเอกสมุตสัพาวิมุตย์ย่นลงมาหาเอกวิมุตเหมือนกันถ้าอย่างนั้นไม่ทันกันถ้าขยายสมุตยก็ขยายวิมุตเหมือนกันถ้าย่อนสมุตยก็ย่อนวิมุตเหมือนกันถ้าย่อนศีนก็ก็ย่อนสมาธิก็ย่นปัญญาเหมือนกันถ้าขยายศีนก็ขยายสมาธิขยายขยายปัญญาเหมือนกันนะ ขันหมวดสีลสมาธิขันหมวดสมาธิปัญญาขันหมวดปัญญาทีมุติขันหมวดที่มุติมีมุตินาญาใทัศนะขันหมวดที่มุติญาในทัศนะสาระห้าเขาเรียกก็ต้องย่นถ้าย่นอันหนึ่งก็ต้องย่นกันหมดถ้าไม่ย่นก็ไม่ย่นต้องขยายออกหมดแต่อย่าสงสัยย่นแต่อย่าสงสัยขยายเราพูดมากก็อย่าสงสัยมากเราพูดน้อยก็อย่าสงสัยน้อยถ้ามากก็ออกมาจากน้อยน้อยก็ออกมาจากมากนะ ในไตโลกระท่าจะมีมากสักเพียงไหนก็าตางดินน้ำไฟลมจะมีมากสักเพียงไหนก็ต่างก็เอกาพทาเวธาอาปโปเตชวาโยเท่านั้นสังขารจะมีมากสักเพียงไหนก็ต่างก็มีไม่สําหรับอยู่ในไตอํานาจ ข, ของอาเนจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรเปลี่ยนแต่ต่อกองพลอนินจังจะเหนือกองพลอาเนจังไว้ไม่ได้นั่น โลกมันมีนิดเดียวไม่ได้มีมากที่มันมีมากก็เพราะเราสงสัยมันมากมันก็ต้องมีมากสิอลูกไหมของโลกมันมีมากลูกไหมของสังขารไม่มีมา ก, ก, มามมมากเกิดขึ้นแด้แปลกดนั่นแต่สลายแค่นั้นผลลัพธ์ ก, ก็คือทุกมันจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหา ต, หากกตาาน้นไม้พังย่าก็ตามสังขารกับอินทรีย์ไม้มันหล่นลงมามันก็เป็นทุกข์เหมือนกันถูกแดดมันก็เฉาเหมือนกันอไยไหม้มันก็ต้องตายเหมือนกัน มันจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ก็ตามญาณของพวกเราต้องรู้ตามเป็นจริงว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นั่นจะมีวิยนญาณหรือไม่มีวิย ญ, ญาณก็ไม่เป็นปัญหาอย่างนั้นเธอจะยึดทุกข์หรือไม่ยึดทุกข์ก็ตามธรรมชาติของทุกข์ก็ไม่ไดอยู่จึงเรียกว่าทุกขงังอันนีับจังประดเด็ยืนยันติีมีพิเศษพิจารณายิ่งนู้เราพิจารณายิ่งแล้ว ชักาตบันติเมเธอทั้งหลายต้องทําให้แก้งนูง้ชัชกะตันติเมเราทํำให้แก้งแล้วแก่ในขันธ์สันดานก็สอนแนสอนแนมาต่อสู้ความหลงของเจ้าของสอนเอาบทอาวุธอาวุธโลภอาวุธโกรธอาวุธหลงปลดชัเอาศีลสมาธิปัญญาเข้า เสียนไส้เท่าทส่งสังสองอ่อนเสร็พลวงเข่าได้ลุ่มคล่องมากสังสองอ่อนไม่ nh สังสองอ่อนคืออะไรก็คือทํากับพระมีนายนั่นเองย่นลงมาเป็นสองต่อสู้กลับมาย่นลงมาทำาะไรนายาะว่าทำคําเดียวก็ว่าทำคําเดียวแปลได้สองไงโลกย์ย่าทำโลกุตรธรรมโลกุตรธรรมก็มีสี่ขั้น โซดาทักาลานาคาอนางา น, นโลกีก็มีหลายชั้นเปตแต่วิทยอสุรากายสักนรกสติรจางทำแปลว่าทรงอยู่ทำเมเท่าใดธาตุก็มีเท่านั้นสิ่งไหนที่บัญญัติว่าทำได้สิ่งนั้นก็จะบัญญัติว่าธาตุได้ธาตุแบ่งออกเป็นสองโลกุตตรธาตุแบ่งออกเป็นสี่ พสดิบาลธาตุกาธาตอนาคาธาตุอนาหัตธตุฝ <m enfant> ja <good> ่ายเป็นโลภุตระธาตอินทรีก็เหมือนกันอินทรีของพระสวัสดิบาลสกทาคามีอนาคามีอนาหันอินทรีไปลวเป็นใหญ่ทำแปลว่าทรงอยู่ทำที่ทรงพระสวสดาบาลทำที่ทรงพระกทาคามีทำที่ทรงพระอนาคามีทำที่ทรงพระอนาหันพระหันศรีเจ้าพวกมีรสชาติอันเดียวกัน คำว่าพระละหันเป็นคําชื่อแต่รสชาติของพระละหันจึงเป็นจึงเป็นรสของพระละหันเป็นรสของพระนิพพานคําว่าพระละหันอาหารเป็นคําชื่อคําว่าพระสวัสดาบาลสวัสดานก็เป็นคําชื่อแต่ธรรมะของพระสวัสดิบาลไม่ใช่คําชื่อไม่ใช่สมมุติเป็นปรมาตารรสชาติธรรมะของท่าน ไม่ใช่สมมดเป็นปลมัดเกลือมันเป็นรสยังไงเค็มมันเป็นยังไงบอกสิอ้างเหตุผลลักษณะเค็มมาเมื่อไม่มีหรือยิบสงวนข้ า, ากสิยิบสงวนขาวฝากอะรสเค็มมันเป็นยังไงอธิบายให้ฟังสิฟังสีขาดเลย สมิงเป็นนิบินทัตินายตานายผู้ไปหลงตาโซตัดสมิงเป็นนิบินทตินายเสียงนายผู้ไปหลงเสียงมาเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเป็นบุคคลอันอื่นก็เหมือ น, นกันทำฝ่ายอ น, ตตาอนัตตาทำอนัตตาทำเป็นทำมันลึกซึ้งกว่าเพื่อนในพระพุทธศาสนาเนี่ย อนัตตาธรรมแบ่งออกเป็นสองทางอนัตตาธรรมฝ่ายเกิดดับมนัตตาธรรมฝ่ายไม่เกิดไม่ดับอนาตตาธรรมฝ่ายมหาวิเมหาวะก์นรกนเรียกว่าอนัตตาธรรมฝ่ายทุกฝ่ายมหัมมทุก อนัตตาธรรมฝ่ายมหันต์ุถูกก็คือพระอรหันต์แผ่เมตตาลงถึงอนัตตาธรรมก็ได้ทำแต่ละวระบาดต้องแผ่ลงถึงต้องพิจารณาลงจนถึงอนัตตาถ้าอย่างไว้นั้นยังเป็นนี่ธรรมะอยู่เหตุฉะนั้นท่านจึงยืนยันว่า ทีประธานสี่บริบูรณ์ในลมหายใจเข้าออกเออมันก็บริบูรณ์อยู่หายใจเข้ามันเป็นกายจสังขารอาจจะเข้าใจออกเวลาหายใจเข้าใจออกอยู่นั่งสวดเวทนาอะไรจงตรวจ ด, ดูสิสวยเวทนาสุขทุกขก์ความคำลงเข้าลงออกหรืออะไรอันนั่นก็เรียกว่าเวทนานุปั์ภนาเวลาลงเข้าลงออกพิจารณาว่ายิดใจส้นมองเลือดฝอยแล้วก็พิจารณาดูสิ พิจารณาจิตค้อมพลงหห้ใจเขาออกดูสิจิตเศาหมองหรือขอบแพ้วค้อมเคาลมเข้าเราออกก็จิตตาลพัฒนาพิจารณาทำอันไม่เที่ยงเนื่องเือคือกายสังขารก็ดีวิจีสั้งขานก็ดีควอมเคารพลงให้ใจเขาออกหรือจิตตาทั้งขารก็ดีเกิดขึ้นแปรปรวนถับไปควอมเลารพให้ใจเขาออกก็ที่เรียกว่าทำมาแล้วพัฒนาพิจารณาจนลงถึงอนัตตาทำ พิจารณากรรมาถามไม่รวมถึงอนัตตาธรรมยังเป็นนี้ของธรรมอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างพิางจารณาจนจนถึงอนัตตาธรรมอนัตตาธาตุเหมือนกันอนัตตาขันเหมือนกันอนัตตาอินเซเหมือนกันถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันมีอุปทานบาท่านขเขาบ อ, อกมาถามว่าหลวงปู่หลวงปู่จะนันบเวทนาอย่างไรบ้าง ระงรับเวทนามันมีอยู่สองอย่างระงรับด้วยสมาธิเมื่อจิตเข้าสมาธิแล้วมันก็ระงรับได้แต่มันไปสวยเวทนาสุขหรืออุบเบกขาอยู่เนื้อเราพูดอย่างนี้แต่เราไม่บรรจับมั น, มนเพราะเราอยากเว้นแต่เวทนาทุกทีนี้ส่วนเวทนาสุขกับอุบเบกขานะี่ยมันเป็นของมันเป็นของอร่อยสมควรอยู่เราก็ประติอยู่ที่นั่นทีนี้ ไอ้ที่แท้มันไม่ข้ามเวทนาเพราะมันข้ามเวทนาทุกมันก็ปฏิบัติเวทนาทุกกับอุเบกขานั่นใครจะข้ามภาวนาใครจะใครจะข้ามเวทนาได้ก็ข้ามได้แต่ไม่ลดธรรมะบัตรไม่ได้สำคัญตัวอยู่ในที่ไหนข้ามเวทนาด้วยพระปัญญาเป็นกองทัพหัวหน้าดึงศีลและสมาธิไปเป็นเมืองขึ้นของปัญญาซะ ในขนณะนั้นถ้าสำคัญว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าไม่สำคัญว่าตนเป็นเวทนาเวทนาเป็นตนคนอื่นเป็นเวทนาเวทนาเป็นคนอื่นมันก็ข้ามเวทนาเท่านั้นจงทำใจให้ว่าถ้าสำคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ไม่ว่า ถ้าไมาสำคัญตนเป็นจิตจิตไม่เป็นตนมันก็ว่างพอรู้เท่ามันว่างเองไม่ได้สมมุติว่างเหมือนเราลืมตาไม่ได้สมมุติไล่มืดหนีหนีซะมึงกูลืมตาขึ้นแล้วก็วเป็นไว้แต่ในที่มืดรือตาเสียจักสุาษาศ หาตาดีอยู่แล้วพี่ก็สว่างสอยแล้วเราลืมตาขึ้นมืดไปเอ๋ยมึงหนีใช่ไกูลืมตาแล้วน่ะมันก็ไม่ได้บอกกูหลับแล้ว้มืดให้มึงมาคชะเหมกูไม่ได้บอกมันเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเหตุหลับผลก็มืดเหตุลืมตาผลก็เห็นไม่อยู่ห่างกันพอเก้าเมื่อเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าจะพิเสษว่า มักผลเนี่ยานมานันหนีไปไหนมักก็คือข้อปฏิบัติผลก็คือผลปฏิบัติมักใค่แทนเหตุแทนกรรมแทนพืชหวานพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นหวานมักเช่นไรก็ได้ผลเช่ น, นั้นหวานกรรมเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นหวานกิริยาเช่นไนก็ได้ผลเช่นนั้นผลจะไปทางดีหรือทางเั่วแล้วแต่เหตุกรรมพืชเป็นประมาณ ส่วนจะได้รับผลน้อยหรือมากก็แล้วแต่เหตุกรรมพืชที่จะทําน้อยหรือมากเป็นประมาณคาว่าเหตุเป็นคำกาคําว่าพืชก็เป็นคากาคําว่ามักก็เป็นคากลางมักไปทางดีหรือทางขั่วเม็ดฉาบมักก็มีเพราเข้าใจว่าเป็นของปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดก็มีมักไปเอาข้อปฏิบัติถ้าปฏิบัติไปทางดีก็เรียกมักดีถ้าปฏิบัติไปทางขั่วก็เรียกมักขั่วมักเหตุพืชกรรมผลของเหตุผลของขึ้นผลของกรรมผลของมัก มีความหมายเดียกันนะสว่างกระช่างใจมูลไหมนี่ทำใดนับโดยม่ผลเหตุนั่งผลนั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจ เหตุสงสัยผลก็สงสัยนะที่เราจะไปยืนยันว่าเหตุผลมันไม่มียังไงได้มันมีปาฏิหารอยู่ในตัวแล้วปาฏิหารปาฏิหารมีอยู่ในตัวปาฏิหารก็คือผลของกรรมนั่นเองคือกรร ม, มีละผลของกรรมนั่นเอง มแมลงวันมีปาฏิหารทางขินมุดเชียงคูดมแมลงพึ่งมีปาฏิหารทางเกสรออกมานกมีปาฏิหารบินพวกคนโจรมีปาฏิหารทางทุจริตนัปกป่ามีปาฏิหารทางทรรถูกพระเดียานมีปาฏิหารไม้มาเกิดแก่เจ็บตายเอา้าไม่มีใครให้เกียรติก็ตาม เป็นปาฏิหาริย์ที่แม่มาเกิดแก่เก็บตายแม่มาโรบมากวธมาหลงด้วย น, ะนั่นแหละมะหาปาฏิหารนะิย์ถ้าภาวนาดีก็ต้องเห็นนรกซีอื้อเขายินดีในะพระนิพพานไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เห็นนรกนั่น เขาเห็นคุณค่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภูมิสมบัติเต็มภูมิแล้วเขาจึงยินดีในพระนิพพานเขาจึงยินดีในธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับก็เขาเห็นธรรมที่ฝ่ายเกิดฝ่ายดับพอแล้วเหตุฉะนั้นเขาจึงยินดีในธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับจึงอยากจะไปให้ถึงแต่พอไปถึงแล้วก็เห็นเป็นแต่สักว่าธรรมธรรม ถ้าจะไปยึดถือเอาธรรมอันไม่เกิดไม่ดับเป็นตนตนเป็นธรรมอันไม่เกิดไม่ดับมันก็ผิดกิเลสอันละเอียดอีกเหมือนกันถ้าสําคัญตนว่าเป็นวิมุตถ้าสําคัญว่าวิมุตถเป็นตนมันก็เป็นกิเลสมานะอันละเอียดอีก เ, เหมือนกันใครเป็นผู้เสวยพาระนิพพานก็พระนิพพานเท่านั้นเป็นศพผู้เสวยพระนิพพาน ที่เราผูกกันว่าพระบรมศาสลาสวยมุติสุขในอาชบาลนี้โคตรกดีราชายัตนก็ดีหรือสมุตจารีนก็ดีเงและเกตวันเกดวันห น, นึ่งเราก็ผูกสมมติเพื่อกันเฉยๆหรอกแต่เพาว่าในเวลาที่พระองค์อยู่นั้นพระองค์สำคัญตัวว่าสวยอะไรไม่ทราบได้ เช่นสามีนางธรรมทินนาไปถามนางธรรมทินนาว่าเวลาอยู่ในนิโรธสมาบัตินั้นได้นึกอย่างไรว่าหน้าก็ตอบว่าตอบสามีว่าไม่ได้นึกอะไรหรอกไม่สำคัญตนว่าอยู่ในนิโรธไม่สำคัญว่าตนอยู่ในนอกนิโรธไม่สำคัญใดใดทั้งสิ้น เมื่อออกมาก็ออกมาหาจิตตะสังขารเสียก่อนแล้วจึงมาหาวัจจิสังขารจึงมาหากายะสังขารเห็นลมเข้าลมออกเวลาเข้าเขาเข้าไปนี่ท่านพูดผัวข้าเมียผัวเป็นพระอนาคามีเมียเป็นพระหลานนี่รวดสมาบัติยังเกิดดับเป็นอยู่แล้ว ส่วนพระนิพานน่ะจะสำคัญตนสวยยังไงถ้าอย่างนั้นพระนิพานก็เป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุนคคลเป็นเราเป็นเขาถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิก็ศูนย์จนลยเทิดเถิดลยแดนมันก็ไม่ถูกศูนย์จนไม่มีสถานีมันก็ไม่ถูกถ้าว่าศูนย์พระนิภพานไม่อยู่ถ้าศูนย์แล้วพิพานก็อยากให้มีสิ นั้นรถของพนิผานมีอยู่ทำอันนั้นมีอยู่จะสูญไปไหนเนี่ยฉะนั้นท่านกินมันหยาดว่ากิตรูปจิตรูปจิตเจตสิกนิพพานรูปจิตเจตสิกนิพพาน นิพพานต่างหากเกจติกต่างหากิจต่างหากกรุบต่างหากไม่ใช่พระนิพนนพานนะพรนิพพานไม่ใช่ผู้รู้เนือผู้รู้ไปจนไม่มีที่หมายสุญญาตาเยโมอันนี้มิตเยโมอันนี้อันเป็นหินตาเยโมพว่างเลยเพราะไม่มีนี้มิเต็นเครื่องหมาย นกบินในอากาศวันยังข่ำก็ถ่ายเทปไม่ได้ถ่ายเอารอยมันรอยนกเห็นแต่ตัวของมันอะบินไปแต่จะถ่ายเอารอยของมันไม่ได้ไม่เฉียบหน้าก็ถ่ายเอารอยของมันไม่ได้ทำของพุทธศาสนาละเอียดเพียงไหมอ้อ วาบรรดาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของพระบรมศาสนายุอยู่ศาสนาอื่นไม่มีไม่มีมีตำนานเรือดลําเหมือนศาสนาพุทธศาสนาอื่นข้ามบามีมากี่อส่งไข่ยิ่งได้เป็นศาสนาหนนั่งไม่มีไม่มีโมกขลาสาในบทศาสนาเป็นสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องขวามาแต่ข้างพระเจ้าอนุมัสิสีนั่นมีหมดตํำนาน ทำอะไรไม่ค่าไม่เกอ้อไม่เขินพระบระมศาสนาสร้างมาเรีมาเกี่ยวสงสัยก็ทมอะไรก็ตอบได้หมด ส, วสด่วนที่อุ้มโมคันลาสร้างมาเท่าไร่สราวก ส, สร้างมาเท่าไรพระเทวทัศเบียกเบียนขอพระองค์มากี่ชาติกี่พอันนั้นก็มีตำนานอ้างวัดนั่นไม่จนมุมเลยนั่นพระบจะศาสนะไม่ไดจนมุมบางแห่งพระบระมศาสนาไม่เทศ เงียบเลยไม่ใช่จนุมคนตายแล้วเกิดไหมพระรมศาสดา้ามาลงกระยะไปถามพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาไม่ไม่สงแก้พยากรณถ้าพระบรมศาสดาไม่สงแก่ทิฏฐิชิปการนี้ ข้าไระเจ้าจะาที่ขาอันทคาเฮกะทิที่สิบโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเออเธ อ, อยากราที่ขาเธอก็ลาไปสักและเธอไม่ได้พูดกับเราว่าก็ผมจะขอบวชถ้าหากว่าพระบรมศาสดา ไม่แก้อันตรายิี่กะทิติสิบนี่แล้วกับผมจะไม่บวชเธอก็ไม่ได้มาปฏิญากับเราอย่างนั้นว่าเธอพูดอย่างนั้นเธอพูดประชดใส่เราเธอจะลาที่ขาไปฝ่าฝันซักฝ่ายนั้น